มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องของธรรมะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมะใดๆก็ตามทางคลื่นใดๆก็ตามนะฟังแล้วจุดประสงค์ของการฟังซึ่งธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในคําสอนพอเข้าใจคําสอนมากขึ้นแล้วก็จะมีความละความวางความปล่อยสิ่งที่มันจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจของเราได้ นี่คือจุประสงค์นี่คือสิ่งที่ต้องการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและความดับเย็นนั่นดับเย็นในที่นี้คือนิพพานฟังธรรมะทรงสุตตะเรื่องของคําสอนเพื่อที่จะให้เกิดความเย็นในใจเกิดความสุขขึ้นในใจนี้จะเป็นจุประสงค์ที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อความหนักเป็นไปเพื่อความยึดถือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง อันนั้นละจะเรียว่าเป็นสิ่งที่เป็นงูพิษสิ่งที่เป็นงูพิษนั่นก็เป็นผลจากความที่เราถูกกลุ่มมืดครอบงำเป็นกลุ่มมืดที่มัวมองเศร้ามองครอบงำจิตใจแล้วมันจะทําให้เราหมึนตึงไม่รู้เรื่องนั่นคือเรื่องของอวิชชาถูกกลุ่มมืดครอบงำแล้วก็ยังถูกดึงรั้ง ร, รึงเอาไว้ในด้วยตัณหาตัณหาวิชามก็มาด้วยกันในะโลกของเราใบนี้จิตของคนเราที่อยู่ในสังสารวัตรนี้จะเป็นมนุษย์โลกตามสัตว์ได้หลาชาั้น เทวดาสรนนรกหรือพรหมนี่ยก็ถูกรัดรึงอยู่ด้วยตัณหาถูกปกปิดอยู่ด้วยอวิชชาทําให้เราอาจจะเข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องนี่ยคือตัณาหาแน่นมากเนีรัดแน่นมากห่อหุ้มแบบปกปิดมากทีเดียวถ้ายิ่งมีเครื่องรัดเครื่องปิดแน่นมากใอ้ความที่จะมาเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งมันก็จะน้อยใอ้ความที่จะทําธรรมะให้เป็นงูพิษมันก็จะมาก นั่เพราะด้วยอำนาจของเจ้าตัญหากับอวิชชาแต่ไม่มันมันเป็นอย่างนั้นที น, นี้ถ้าเราอาจจะยังละไม่ได้แบบชนิดถอนรากถอนโคนของมันแต่ถ้ามีอวิชชาเบาบางบ้างมีตัญหารัดเรึงอย่างเบาบางบาง้างนนการที่จะมาเข้าใจเนื้อหาธรรมะจะทําคุณธรรมต่างๆค่อยๆกลี่ค่อยๆให้ปรากฏเนี่ยมันทําได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยแต่บุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยก็คือ หมายความว่าตาเนี่ยไม่ได้มีขี้ตาอยู่เต็มพืชเลยนะมีฝุ่นเข้าไปอัดแน่นชนิดที่ว่ามองอะไรไม่เห็นตาบอดอยู่ยงั้นไม่ใชนะ่นั่นคือลักษณะของคนที่ถูกตัณหาวิชาแบบรัดรึงแน่นมากนะตานี่มีขี้ตาเก ล, กลางมีฝุ่นน่ะแน่นปิดอยู่มองไม่เห็นนะแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะมีฝุ่นเข้าไปในตาอยู่นะมีขี้ตาก ล, กลางแต่ว่าก็นิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยนะสามารถล้างออกเช็ดออกขีดออกให้ได้ อันนี้จะเป็นลนักษณะของบุคคลที่เรียกว่าเมื่อได้ฟังธรรมะเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระุทเจ้าประกาศเอาไว้หรือเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้เริ่มที่จะสว่างเริ่มที่จะเห็นภาพขึ้นมาได้บุคคลพวกนี้ควรจะยิ่งต้องฟังธรรมเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมแล้วจะเสื่อมจากคุณที่ควรจะได้รับคือถ้าบอกว่าเราฟังธรรมแล้วมันก็เหมือนกา ร, การเขีย่ยเจ้าอะไรที่มันบังตาอยู่นิดนึงออก เราก็จะเห็นสิ่งที่แจ่มแจ้งถูกต้องเส้นผมบงผังภูเขาเอาเส้นผมบ อ, อกเห็นภูเขาได้อันนี้ดีอันนี้คือควรจะต้องมาฟังธรรมคนแบบนี้มีอยู่ในโลกนะครับเจ้าก็คิดว่าท่าผู้ฟังที่ฟังธรรมเนี่ยเป็นคนประเภทนี้เราเคยฟังมาแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งฟังมาแล้วหลายเดือนบางคนฟังมบเป็นปีก็รู้สึกว่าจิตใจนั้นแจ่มแจ้งคลี่คลายเบาลงละมีความใสสว่างมากขึ้นเข้าใจธรรมามากขึ้นเออเราเป็นบุคคลประเภทนี้ นะั่นที่ธรรมะเนี่ยสามารถที่จะไอ้เขี่ยอะไรที่มันบังตาที่มันจะทําให้เราแบบมองไม่เห็นออกได้นะเขี่ยได้มากบ้างเขี่ยได้น้อยบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่จะสามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นะอันนี้ดีอันนี้ดีเป็นผู้ที่พระเจ้านั้นประาลบคุคคลประเภทเนี้ยเพื่อที่จะแสดงธรรมนะเราก็อาศัยบุคคลประเภทนี้เหมือนกันในการที่จะต้องแสดงธรรมกับบุคคลอื่นๆด้วยแตนะ่บุคคลอื่นนี่เป็นยังไงนะคือคนที่ ต่อให้เขาไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อไม่ให้ไม่ได้ยินธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สแสดงเอาไวเ้เขาก็เป็นคนดีของเขาอยู่แล้วนะพวกนี้ก็ดนะีดีอยู่แล้วนะไม่ต้องมีใครไปบอกไปสอนเขาก็เป็นคนดีโดยธรรมชาติโด้วยปกตนะิอันนี้ก็มีส่วนอีกประเภทหนึง่งคือต่อให้ถึงแม้จะได้ฟังธรรมะนะหรือว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แต่ก็ยังทําความไม่ดีอยู่นะเป็นผู้ที่ ยังไม่สามารถที่จะมารักษาศีลได้คือถ้าบอกว่าทําได้บ้างก็ยังดีนะแต่ประเภทที่ว่าทําไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะรู้ก็ยังหนาต่อไปยังมืดต่อไปประเภทนั้นก็มีแตนะซึ่งคําสอนพระุทธเจ้านั้นไม่ใช่สําหรับครปร น, น, น, นประเภทนั้นแต่ประเภทนั้นก็ต้องให้เขาไปตามเรื่องตามราวของเขาก่อนแต่แต่สําหรับคนที่ฟังธรรมะมากก็ตามน้อยก็ตามรู้สึกว่าจิตใจนั้นมันได้เห็นแสงสว่างบ้างมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาบ้าง เนี่นจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามเดอะนั้นแต่รู้สึกมีความเข้าใจมีความอาหาเกิดขึ้นมีความที่จะทําความแจ่มแจ้งมีความปรารถนาในการที่จะทําความรู้ให้เกิดปรากฏมีความดับเย็นเกิดขึ้นในใจธรรมะนี้แหละเป็นยาที่จ่ายมาแล้วเนี่ยเหมือนเราไปหาหมอเขาจ่ายยามาเพื่อคนไข้ประเภทนี้เนีนจิตใจของท่านผู้ฟังถ้าเป็นอย่างนี้ยาขนาดนี้แหละยาขนาดนี้แหละสําหรับจิตใจแบบนี้สําหรับท่านผู้ฟัง เพราะว่าถ้ากินแล้วนะใช้ทาตาแล้วนะมันจะแจ่มแจ้งใช้หยอดตาแล้วมันจะเห็นภาพได้มีความสบายใจความเย็นใจขึ้นมาเพรา ะ, ะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาทําความเข้าใจกินนะ่ะเอายาไหมเราก็กินเถอนะได้ฟังธรรมะแล้วก็เอาทรงไว้ในใจเถอนะทรงไว้ให้ได้แตนะ่ถ้าเราฟังแล้วเราอยากให้เป็นงูผิดฟังแล้วให้เกิดเป็นเซลรุ่มในการที่จะทจําจิตใจของเราให้สูงนะสูงแล้วไม่ใช่ยกต น, นกลมเกินล่ะ สูงแล้วไม่ใช่บยกตนข่มท่านเห็นว่าชันดีกว่าเขาแต่สูงด้วยจิตใจที่ไม่มีกิเลสจิตใจที่ไม่ได้ถูกปิดบงับบงบดบังเอาไว้ด้วยวิชาตุรรเดืองเอาไว้ด้วยตัณหาตัณหากับวิชาเนี่ยต่านหวังมันร้ายแรงมากแตนะ่วันนี้จึงจะได้อธิบายคู่ลนะที่มันจะมาตรงข้ามกันนะตัณหาวิชาเนี่ยแหละที่ตัวข้าพเจ้าก็ได้พูดไปหลายครั้งแตนะ่มันรัดรึงมันปิดกั้นเอาไว้ นะซึ่งคู่ที่จะมาตรงกันข้ามกับเจ้าตันหากระวิชานะโลกของเราใบนี้ถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยอวิชาถูกรัดรึงอยู่ด้วยตันหานะพอมีตันหาวิชาหนาแน่นมากนะทําให้คนที่จะมีคุณธรรมที่จะมาต่อต้านตรงนี้มันหาน้อยลงหายากขึ้นนะอะไรที่จะมาเป็นคู่ตรงข้ามกับตรงนี้แนะ่นอนเรื่องของมรรคเป็นทางแก้ของมันใช่ไหมเรายกไว้ก่อนอันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรทําอยู่ละ แต่ในทางคุณธรรมเองคนที่ถูกตันหารัดรึงเอาไว้การที่เขาจะให้การที่เขาจะสละออกจะเป็นสิ่งที่เขาจะทำได้ยากเพราะมันถูกรัดแน่นใช่ไหมจิตใจมีความตระณีเนี้แน่นมากก็จะทําให้สละออกละออกได้ยากการสละออกละออกเนี่ยจึงเป็นลักษณะของคนที่มีการที่อุปการรัผู้อื่นก่อนเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่ว่าอุปการรผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นก่อนเนี่ยจึงเป็นลักษณะของคนที่มีตันหาน้อย นะสองคุณธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่คู่ตรงข้ามกันหนะ ม, มายความว่าคนที่ถ้ามีตันหามากเขาจะมาอุปการะผู้อื่นก่อนนะเขาจะทํำแต่ยากนะคนที่มีความอุปการะผู้อื่นก่อนช่วยเหลือคนอื่นเสียสละให้คนอื่นนะแสดงว่าเขามีตันหาที่เบาบางกว่าคนอื่นๆอย่างเช่นเราดูที่เรื่องของมารดากระบุตรก็ไดนะ้พ่อแม่บุปการีใช่ไหมทำไมเขาถึงเรียกมารดาบิดาว่าบุปการีซึ่งจริงๆบุปการีเนี่ย เป็นคำตรงตัวเลยนะบุปผาแปลว่ า, วาก่อนนะทำก่อนการกีคือการอุปการะนะคือการอุปการะผู้อื่นก่อนนั่นะก็คือมารดาบิดานั่นเองนะมารดาบิดามีตัณหามีความอยากนะสําหรับบุตรของเรานะน้อยนะเพราะอะไรเพราะมีความรักให้ได้อย่างไม่มีประมาณในความรักให้ได้อย่างไม่มีประมาณเป็นคน ร, รมที่ดีทําให้ตัณหาของมารดาบิดาเนี่ยน้อยต่อลูกนะเฉพาะต่อลูกเพราะนั้นก็เลยจึงอุปการะลูกก่อน นะครัก็จึงอาคำ ว, ว่าบุปการีเนี่ยมาเรียกพ่อแม่ด้วยแต่จริงๆคาว่าบุปการีนั้นก็เป็นคําทั่วๆไปหมายถึงบุคคลผู้ที่ทําอุปการะบุคคลอื่นก่อนนะบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะจะเป็นคู่ที่ตรงข้ามกันกันกบตันหานะตันหานั้นถ้ามีในจิตใจของคนใดคนหนึ่งมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาก็จะทําการอุปการะผู้อื่นได้น้อยนะหรือทําไม่ได้เลย เพะในโลกที่มีตันหารัดรึงอยู่มากเนี่ยคนที่ขูอุปการะผู้อื่นก่อนเสียสละก่อนทำให้ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่หาได้ยากนะคู่ที่ตรงก้ามกันอีกคู่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของอวิชชานะคืออวิชชาคือความที่เราไม่รู้อย่างที่ข้าพเจ้าเคยพูดไปคือไม่รู้สึกนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ความแล้วก็ไม่รู้วิชานะซึ่งความไม่รู้ตรงนี้ทําให้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าใครมีอุปการะกรับเรานะหรือว่าเราควรจะตอบแทนเขาอย่างไง เพระฉมันจะเป็นคู่ตรงข้ามกับเรื่องของกตันยูกระตะเวทีนะครับกระตันยูเนี่ยหมายถึงการที่เรารู้คุณของคนที่เขาอุปการะเราก่อนนะเช่นวัดลูกรู้ว่ามารดาบิดามีบุญคุณนะรู้เฉยนี่คือเรียกว่ากตันยูพอรู้แล้วแล้วรู้จักตอบแทนและการตอบแทนตรงนี้ก็เรียกว่ากระตเวทีนการตอบแทนตรงนี้เรีว่ากตะเวทีเพราะฉะนั้นกรตันยูกระตะเวทีเนี่ยคือมาคู่กันมาด้วยกัน นำะมายความว่าตัวเองก็รู้นะความรู้ตรงนี้จึงเป็นการบ่งบอกถึงความที่อวิชชาเนี่ยมันค่อนข้างเบาบางในจิตใจของคนประเภทนี้แต่เพราะ น, นั้นลูกถ้าเป็นลูกทรพนะีเป็นลูกแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวก็จะไม่รู้บุญคุณของมารดาพิดาเราจะเห็นได้คนที่อักตันยูเนี่ยมันจะแบบหนาไม่รู้เรื่องมันจะชั่วตรงนี้แล้วชั่วตรงอื่นด้วยแต่ถ้าคนที่มีความอักตันยนะูรู้บุญคุณคนนะจิตใจของเขาก็จะลักษณะว่ามีความอ่อนน้อม เรื่องความรู้ในธรรมะต่า ง, างๆเขาก็จะพอมีทางด้านอื่นด้าน น, นนู้นด้านนี้ด้วยแต่เป็นเพราะบ้านลักษณะของอวิชามันห่อหุ้มมันน้อยลงแต่ทําไม่ก็มีความรู้ในเรื่องของบุญคุณคนได้เรนะรู้แล้วมีการตอบแทนนั่นคือกรนะตับเวทีทำทางกายก็ตามวาจาก็ตามใจก็ตามแล้วยังสาวกในธรรมะไปไหนนี่ในเรื่องของคอําสอนพระเจ้าเนี่ยเนะื่อพรรู้บุญคุณของพระพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้านี่ปรินิพนาไปตั้งนานแล้วนะ แล้วมีบุญคุณอะไรกันแหมถ้าไม่รู้นี่แสดงว่าไม่มีความกระตันอยู่แต่ถ้ารู้บุญคุณว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ประกาศธรรมทาให้เรามีการประพฤติพรหมจรรย์มีรูปแบบของการปฏิบัติที่อย่างถูกต้องนะเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานได้นะมีบุญคุณอย่างไม่มีประมาณนี่ความรู้ตรงนี้คือกระตะเวทนะีแล้วก็รู้จักกระทําสิ่งตอบแทนนะกระทําสิ่งอะไรล่ะตอบแทนหนะจะจัดข้าวปลาอาหารไปวางหน้าพระพุทธรูปเอาแต่ตัวพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้ว พนะระพุทรูปเป็นอิฐหินปูนทรายสมฤทธิ์หนะูก็ไม่ได้มันจะกินข้าวตรงนี้เอสตอปแทนอย่างไรหนะูก็รู้จักในการที่จะเผยแผ่ธรรมะต่อไปเอาธรรมะเนี่ยประกาศตอบอกต่อหนะูช่วยให้คนหนีพ้นจากความทุกข์เอออันนี้คือมีการกระตะเวทีนะลันกษณะของการแสดงซึ่งความกระตันยูกระตะเวทีเกิดขึ้นไดนะ้หรือแม้แต่เราเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้บวชไม่ได้อะไรก็ได้เหมือนกันผูนะ้ที่จะมีความกระตะกระตันยูกระตะเวทีเนี่ย เช่นรู้จักเสียสละในรู้จักตอบแทนให้กับสังคมในตอบแทนให้กับคนอื่นเพราะนั้นสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามกันนะก็คือเจ้าตัญหานจะคู่ตรงข้ามกันกับเรื่องของความอุปการะผู้อื่นก่อนอีกคู่หนึ่งก็คือเจ้าอวิชานะมันก็จะเป็นคู่ตรงข้ามกันกับการรูปบุญคุณการตอบแทนคนในคู่ที่เหมือนกันที่เป็นไปในทางฝ่ายต่ำนะคือตันหาอวิชา นะคู่ที่เหมือนกันที่เป็นไปในทางฝ่ายสูงก็มาก็มาด้วยกันนะไปก็ไปด้วยกันนั่นะก็คือการอุปการะบุคคลอื่นก่อนแล้วก็การที่รู้จักตอบแทนนะรูปบุญคุณแล้วก็ตอบแทนนั่นะคือบุบการีแล้วก็การกตันยูกระต่าเวทีอันนี้เป็นคู่กันกนะตันหากระวิชาเวลามันไปเนี่ยมันก็ไปคู่กันนะมันครอบงำมันรัดรึงมันไปคู่กันแตนะ่เวลาที่มันจะเบาบางลงมันก็จะเบาบางลงไปไปด้วยกันอย่เนะช่นเดียวกัน การที่เราอุปการะคนอื่นก่อนกับการที่เราช่วย็ตอบแทนบุคคลอื่นก็จะไปด้วยกันแต่เวลาเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันอย่างเช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นเป็นมารดาปิดามารดาบิดาเราก็อุปการะลูกของเราก่อนใช่ไหมโตออกมาอุแว้อุแว่ทาอะไรไม่ได้ทั้งอนอนจมกองมูดกองคูดของตัวเองเป็นภาระหนักต้องมาตื่นมาตอนดึกๆึกให้ข้าวให้น้ําคอยมาปลุกให้ลุกให้นั่งให้เดิน อ๋อเป็นภาระที่หนักมากแต่เราก็ทําก่อนแต่ตั้งๆที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรให้เราหมายถึงตัวลูกเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรให้เราแต่เป็นลักษณะของการที่เราอุปการะคุณหนึ่งก่อนในขณะที่เราทําคุณจะทําตรงนี้ในมีความรักความเมตตาอุปการะลูกของเราต่อไปเนี่ยเอ่อก็เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราด้วยในตรงไหนเพราะว่าความที่เราเป็นผู้ที่ดํารงวงศุแลแตเรารู้จักการดํารงวงศุลอ้าวนี่เป็นหน้าที่ที่ลูกต้องทําต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังเป็นพ่อแม่เนี่ย เป็นพ่อกนแม่คนใช่ไหมพ่อแม่ของเรานี่ยคือปู่ย่าตายายของลูกของเราเนี่ยเราเลี้ยงดูเขาอย่างดีปู่ย่าตายายของลูกของเราก็ชือ่อว่าได้รับการตอบแทนด้วยเป็นผู้ที่ได้รับการตอบแทนจากตัวเราเพราะเรารู้จักการดงงํารงวงกุลรู้จักการที่จะแสดงคุณธรรมคือการที่อุปการะผู้อื่นก่อ น, นการแสดงคุณธรรมตรงนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราเหมือนกั น, นคือทําอย่างเดียวเนี่ยได้สองเด้งเลยเพราะมันก็มาด้วยกันมันมาอย่างไง อย่างเช่นว่าเราเจริญสตินะคุณมีสติอยู่ในเราหมายใจเข้ า, าลงหมายใจออกนะนี้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระบุตรเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าการบูชาอ ย, อย่างสูงสุดนั่นคือการเอาธรรมะมาไว้ในใจเอาเรามีเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงในมีการสงบระงับไมโครนกระวายมีธรรมะอยู่ในใจแล้วเออชื่อว่าเป็นการบูชาพระบุตรเจ้านั่เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านมีเออเราเจริญสตินะได้ตรงนี้ในขณะที่เราเจริญสติอยู่อย่างนี้คนอื่นเขาก็ไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรา คนนึ่งเขาก็จะได้รับความรักความเมตตาจากเราเราทํางานก็ทํางานด้วยความขายันขันแข็งแหนเจอผู้คนเขาเบียดเบียนเราเขาพูดไม่ดีกับเราเราก็มีความอดทนได้ไหนคนนั้นก็ได้รับการอุปการะจากเราด้วยคุณธรรมมีความอดทนมีความไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร้ endure ไปด้วยมันก็มาด้วยกันไนสออย่างเนี้ยเต็มฝั่งซึ่งเป็นเหมือนกับการที่หมุนโลกไปได้ไหนเป็นคุณธรรมที่หายากในจิตใจของคนนะ ในสมัยนี้ซึ่งโลกเนี่ยมีตันหากับ ว, วิชาเนี่ยหนาแน่นมากนรามองไปทางไหนก็มีเราจรึงจะต้องสร้างคุณธรรมคือความที่อุปการผู้อื่นก่อนและเราก็รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นอยู่ในนี้นะัซึ่งอันนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราจนอริยมรรคมี8นั้นณะในระดับเรื่องจิตใจอย่างที่ผู้ที่ฟังเมื่อสักครู่เรงของสติในะที่พูดถึงอันนี้ก็เป็นระดับที่ละเอียดอยู่ในใจของเรานะระดับอย่างเช่นภายนอกอเช่นมากการที่เรารู้จักเสียสละ ให้ทานให้ทานก็เป็นของที่เป็นสิ่งภายนอกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสละได้สละได้ให้ได้ตัะหาคุณกวลดลงความตระหนี่เนใจก็ลดลงเป็นการที่เราช่วยเหลือคนอื่นด้วยเป็นการที่เราตอบแทนคืนบุญคุณนี้กับสังคมด้วยถ้าเราได้เงินนี้จากสังคมมาได้จากการที่เราหาเลี้ยงชีพ ม, มาแล้วก็ตอบแทนบุญคุณคืนเข้าไปนมาด้วยกันการให้สิ่งของนี้ก็ส่วนหนึ่งการที่เราใช้ตัวร่างกายของเราทํา นนในเรื่องของกายเรื่องของวาจาเช่นการรักษาศีลการที่เราไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นการให้ชีวิตสัตว์การที่เราพูดจาดีๆกันก็เป็นการที่ไม่ทิมแทงกันด้วยหอกคือปากอันนี้ก็ช่วยเหลือกันนะทั้งอุปการะผู้อื่นก่อนทั้งตอบแทนบุญคุณคืนนี้กับสังคมด้วยนะในเรื่องของทางกายเช่นบางคนเนี่ยถึงแม้ร่างกายของเรานะจะจะแตกจะดับไปในะเรื่องจากอายุไ ข, ขัยมันหมดแต่ถ้ารู้จักสละร่างกายนี้ ให้เป็นสาธารณประโยชน์อย่างเช่นคนที่เขาเอาบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นการให้นักเรียนนักศึกษาแพทย์หรือพวกบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาพามาทําการชํำระทาการวิจัยเรียนพวกกายภาพพวกนี้อันนี้ก็เป็นการสละออกะเป็นการที่อุปการะผู้อื่นก่อนอุปการะพวกนักเรียนแพทย์ะบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ให้ได้ความรู้ความศึกษาในขณะเดียวกันแล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณคืนกสังคม เป็นการตอบแทนบุญคุณของครูอาจารย์ที่ได้ศึกษาได้ให้ความรู้ประสิทธิ์าระสิทธาเรามาเราก็สละตรงนี้ออกนะร่างกายที่มันจะแตกเน่าดับไปเนี่ยก็ยังได้เป็นประโยชน์นะตรงนี้ก็มีแต่คนที่ทําอย่างนี้ก็ถือว่าได้บุญมากทีเดียวแตนะ่เพราะว่าเป็นคุณธรรมที่จะทําให้โลกนี้มันหมุนไปได้เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าหาได้ยากคนที่จะมาสละอวัยวะที่ตัวเองไม่ได้ใช้เนี่ยนะคือบางคนสิ่งของบางอย่างที่ตัวเองแม้ไม่ได้ใช้นะแต่ก็ยังหวงเอาไวา้เหนือ่อยเอาไว้ก็มี ซึ่งในกรณีของคนที่รู้จักบริจาคอวัยวะหรือบริจาคร่างกายเนี่ยของที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ยังอุทิศให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะ น, นี้ดีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นนะละเอียดไปกว่า น, นั้นคือเรื่องของธรรมะที่ส่งไปในใจนะเราพยายามที่จะบอกสอนให้คนอื่นได้รู้เรื่องราวธรรมะเช่นการรักษาสีเป็นต้นนะเราแบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้เขาของเราก็ไม่ได้ลดแตนะ่เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นธรรมะเรื่องของการอุปการะผู้อื่นก่อน เรื่องของการตอบแทนบุญคุณการรู้คุณคนอื่นนั่นะจึงเป็นคุณธรรมที่ใช้แล้วก็ไม่มีหมดใช้แล้วก็มีแต่จะเพิ่มใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่แบ่งปันกันให้ได้ในะการสละออกไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนใ น, นระดับภายนอกระดับสิ่งที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ระดับกายนั่นะคือร่างกายของเราใ น, นระดับของใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องคุณธรรมอื่นๆขึ้นไปเนี่ยถ้าบอว่าเรารู้จักที่จะทําให้เกิดขึ้นนะทําให้เกิดขึ้นแล้วอาวิชา ก็จะเบาบางลงไปนะตัณหาก็จะคลี่คลายออกไปเพราะมันเป็นสิ่งที่คู่ตรงข้ามกันไอ้เจ้าคู่ตรงข้ามนี้เวลามันมามันก็มาด้วยกันเวลามันไปมันก็ไปด้วยกันคือหมายความว่าอาวิชชาตัณหามามาด้วยกันไปไปด้วยกันการอุปการะผู้อื่นก่อนการรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นนมาก็มาด้วยกันไปก็ไปด้วยกันแต่ที่มันจะตรงข้ามกันก็คือว่าถ้ามีอวิชชามากมีตัณหามากที่มันจะมาด้วยกันเนี่ยมันก็จะทําให้การ ตอบแทนบุคคลผู้อื่นการรู้คุณการอุปการะผู้อื่นก่อนลดลงไปแต่ถ้าเราพยายามที่จะอุปการะผู้อื่นด้วยเสียสละด้วยตอบแทนรู้คุณคนอื่นเจ้าตัญหาอาวิชชา ก, ก็จะลดลงไปเหมือนกันมันจะตรงข้ามกันอย่างนี้เพราะนั้นให้ฝึกตัางบุญฝังงานจตใจของเราเนี่ยบางทีเราให้เสียสละออกในเรื่องเข้าของเครื่องใช้สิ่งต่างๆไปนอกเรารู้จักประหยัดรู้จักสละออกเนช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กกาพรา้า เรื่องของทางการแพทย์ เ, เรื่องของคนชราเรื่องของพระชาประสงค์อนุเคราะห์คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเอออันนี้ตันหาในใจของเราจะลดลงแล้วนะเราทําอย่างนี้เป็นการตอบแทนสังคมเป็นการตอบแทนประเทศชาติเอออวิชาของเราก็ลดลงมันแปรผันกันอ้อมนะคือหมายความว่าแปรผกผันกันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเจ้าคุณธรรมที่ว่าหาได้ยากในสมัยปัจจุบันเนี่ยในสมัยที่มีอวิชามีตันหาอย่างหนานแน่นห่อหุ้มมากเนี่ย ก็คือเรื่องของการที่เราอุปการะผู้อื่นก่อนในะการรู้คุณการตอบแทนแต่ไม่ใช่ว่าหาไม่ได้เลยเพราะเราก็ยังเห็นร่องรอยอยู่ทั่วทั่วไปนะตามข่าวหน้าหนังสือวีมคนทำความดีมีแตนะ่คนที่อุทิศ ร, ร่างกายบริจาคอวัยวะมีนะตามโรงพยาบาลเราเห็นได้แตนะ่คนที่รู้จักไปจิตอาสาช่วยคนนั้นคนนีนะ้ตามสมาคมตามสโมสรมูลนิธินั้นะแม้แต่โรงพยาบาลเราก็ยังเห็นได้แตนะ่คนที่ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอนการมีจิตอาสาเพราะนี้จะเป็นเรื่องที่จะทําให้อวิชชาของเราลดลงทางอ้อมทําให้ตัณหาของเราลดลงทางอ้อมด้วยทําให้เราเป็นผู้ที่หมุนโลกไปได้ทําให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะไม่ใช่หาไม่ได้หาได้อยู่หาที่ไหนในใจของเรานี่เนเองถ้าใจของเรามีคุณธรรมคือความที่อุปการะผู้อื่นก่อนมีคุณธรรมคือความที่รู้คุณเราก็ตอบแทนบุคคลบุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยรูปแาบใดๆเอาแค่ว่าคุณทําความดี สักอย่างใดอย่างหนึ่งรักษาศีลก็ได้หรือว่าเรามารู้ลงในใ่นั่นชื่อว่าคุณอุปการะผู้อื่นด้วยนั่นชื่อว่าคุณรู้จักตอบแทนบุญคุณรู้คุณคุณอื่นด้วยเพราะาคุณตามตรงนี้มันอยู่ใน ใ, นใจ เ, เราขย้ายผลให้มากออกไป เ, เราเชิญเสนาเสติมีศินธรรมดาละ เ, าเราสิ่งภายนอกเราก็สละออกนะทําสิ่งที่ดีๆงา ม, งามนะให้เกิดขึ้นในสังคมสังคมก็จะได้รับการเบียดเบียนน้อยลงนะมีการเอื้ออาทอมีความเกื้อกูลกัน มีความอุปการะกันมากขึ้นเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่ไหนที่เริ่มอยู่ในใจของเรานะี่ยเพราะว่าตัณหากับอวิชชาเนี่ยเวลามันรัดมันคลุมเนี่ยมันคลุมอยู่ในใจเนะ่เราพยายามที่จะเริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะทำได้แนะี่ยบางคนอาจจะไม่ได้มีเงินมากอะไรไม่ได้มีเวลามากอะไรแต่ถ้าใจเรามาฝึกที่เล็กละน้อยเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องของสติพวกนี้พอใจเรามีอวิชชามีตัณหาบาบางลงไป ไอการขยายผลของการอุปการะการขยายผลของการที่รู้คุณมันก็ขยายออกมาจากใจใช่ไหมขยายออมาเป็นทางวาจาขยายออมาเป็นทางกายนะคุณหนึ่งก็จะรับประโยชน์อย่างมากมายทําไมพระเจ้าถึงเรียกคุณธรรมที่ว่าการอุปการะผู้อื่นก่อนแล้วก็การที่รู้คุณและรู้จักตอบแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้ามีในบุคคลใดแล้วเนี่ยบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ก็คงเป็นเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีของอย่างเช่นว่าเพชรพลอย เงินทองพวกนี้มันเป็นของที่หายากเพชรนินจินดาพวกนี้นะเพราะว่าความที่มันดีและความที่มันน้อยและความที่มันมีของเป็นของแวววาวเช่นในการคุณธรรมเหล่านี้ทำให้จิตของเราเนี่ยมันแจ่มแจ้งใสสว่างขึ้นมานะทําให้มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีน้อย น, นถ้าเปรเียบเทียบกับตัณหากรรมวิชาที่มันรัดเรึงอยู่เพราะนั้นในโลกที่หนานแน่นไปด้วยตัณหากรรมวิชาเนี่ยเราฝึกซาตานฝัง ฝึกในรูปแบบ ใ, ใดๆซักรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายภายนอกทางใจทางวาจาในใะนการที่จะให้อุปการะคนอื่นก่อนในะการที่จะรู้คุณแล้วก็ตอบแทนบุคคลอื่นที่มีบุญคุณกับเราถ้าเรามีคุณธรรมนี้จะเป็นบุคคลที่เรียกว่าหาได้ยากจริงๆในโลกที่หนานแน่นไปด้วยอวิชชาและตันหานะพยายามฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีความสว่างความสว่างตรงนี้แหละจะเป็นทางที่จะนําตัวเราเองด้วยนะครอบครวัวของเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา สังคมที่เราอยู่ในที่นั้นด้วยแต่จะพาไปสู่ที่ที่ไม่มีความมืดจะพาไปสู่ที่ที่ไม่มีการเบี่ยนแปลนพาไปสู่ที่ที่ไม่มีความมืดมนพาไปสู่ที่ที่เรียกว่าพ้นจากความถูกได้และท่านผู้ฟังจะมีคําถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะแบ่งปันกับข้าพเจ้าหรือว่าทางเพื่านผู้ฟังอื่นๆแต่ก็สามารถเขียนติดต่อมาได้โดยการส่งเป็นจดหมายหรือไปสัญญาบัตรส่งมาได้ที่ วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหันจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเราก็ไปที่เว็บไซต์เ e ียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a แล้วก็ในช่วงของรายการนี้ท่านผู้ฟังต้องการฟังย้อนหลังตอนใดๆเราก็ไปที่เว็บไซต์ที่ได้เหมือนกันเพียวธร a ม a .com นั่นจะเป็นข้อมูลที่ท่านฟังสามารถ ฟังได้จากทางอินเทอร์เน็ตนั่นก็จะอยู่ที่เว็บไซต์นี้เอาละธรรมบุฟังในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วให้จำไว้เสมอธรรมบุฟังว่าหาได้ยากเนี่ยไม่ใช่ว่าทํำแต่ยากนะหาได้ยากเพราะมันเป็นของดีของดีความดีเนี่ยคนดีทำได้ง่ายคนดีทําความดีได้ง่ายทําได้เดี๋ยวนี้โ ด, ย, ดยการที่มีสติไม่ลืมหลงโดยการมีศีลมีสติเป็นอย่างดีจนได้บาน